สันดานโทรศัพท์เมื่อ 5 ปีหายลืมเบื่อเปลี่ยนเปลี่ยนมือถือตามแฟชั่นไปตรงไหนลืม ดังหาทั้งวันก็ไม่เจอสามีกลับมาช่วยหาอยู่ในบ้านนี่แหละหาเหนื่อยใจหาไม่เจอเหนื่อยอยากดื่ม หลังจากใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมปฏิบัติธรรมใช้ยกหยิบวางหนอไม่หายไม่เบื่อเพราะใช้มือถืออย่างมีสติเบื่อเพราะใช้มือถืออย่างมีสติรู้คุณ เปลี่ยนกรอบ 300 บาทแก้ไขให้ตรงจุดที่เสียหายเพราะเราไม่ใช่คนหาเงินการขอเงินสามีไปซื้อใหม่ก็ง่ายกว่าการที่จะต้องไปรอให้ช่างใส่กรอบใหม่จุดที่เสียหายเพราะเรา 3 ชั่วโมงแต่นั่นมันเป็น ว่าเราทําอะไรเราทําอะไรเงินทองเครื่องเพชรเป็นเพลงของที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เหมือนมาก่อนจะต้องวิ่งเต้นเพียงของที่มีก็ได้ไม่มีก็ สร้อยเพชร 8 กะรัตก็ยังไม่พอกับความอยากกิเลสตัณหามันถมไม่ 5 ปีแล้วที่หยุดไม่เคยไม่เคยนึกถึงสิ่ง วันคล้ายวันเกิดที่เคยวุ่นวายมากทุกครั้งก็เพียงขอเงินสามีไปเป็นเจ้าภาพจัดปฏิบัติธรรมแล้วช่วยสอนไม่คิดว่าจะดีหรือไม่รู้แต่ว่าทําในสิ่งที่ชีวิตนึงที่หลงเกิดมาแล้วแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือให้มีประโยชน์ แม่บ้านบ้านเลขาคนรับใช้คนขับรถคนแม้ทุกคนจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปบริวารที่เราก็เดินตามทางของเราแต่ละคนมีเคย มีเค้าจนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจากไปแต่การตัดวงจรของการมีโดยการพึ่งตนเองได้รู้แม่ครัวสักผ้าๆอย่างเป็น ฉันทําได้อย่างห้องกรรมฐานสอนฉันมาแล้วทุกบ้านก็สะอาดอย่างทําอย่างมี เลือกซื้อของที่ดีๆมีประโยชน์ต่อร่างขึ้นได้ทําหน้าที่ของภรรยาและหน้าที่ของ เราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทานอาหารที่แม่ทําแล้วช่วยแม่ล้างจาน ลูกๆเค้าก็ชอบให้ฉันเล่าเรื่องของโยคีให้ฟังฉันก็เล่าให้ฟังในเวลาที่โยคีออกไปแสดงความรู้สึกบางทีก็มีเรื่องค่ําๆมา โชคดีที่สามีดิฉันไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ให้ระวังแต่ทุกเด 2 เดือนคุณหมอแอบถาม อย่าลืมกินยาเด็ดขาดอันตรายนะไม่ได้พูดเล่นหมอกับฉันค่อนข้าง จะมีก็แต่เรื่องของฉันที่เมื่อก่อนนี้ฉันเอาแต่ต่างๆเข้าไม่มี ว่าสาเหตุที่เขาจะเครียดมีเพียงเรื่องแล้วฉันได้สติและมีปัญญาดูตนอาหาร เช้าพอเค้าเข้าไปทํางานฉันก็จะทํางานบ้านแล้ว เพราะฉันเลิกขอเงินเขามานานแล้วนานตั้งสามีเค้าจะจัด บางเพราะไปไหนสามีก็จะเป็นคนจ่ายให้ฉันก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะไปไหนสามีก็จะเป็นคนจ่ายให้ เหมือนทุกๆวันมันจบทุกๆวันคิดถึงคําพูดของคุณยายเรนู ดัดสันดานที่กําหนดกําหนดเหมือนขูดสิ่งที่ห่อหุ้มออกไปจิต ที่อยู่ 8 วัน 7 คืนหรือจะ 3 วัน 2 คืนเพื่อความสุขสงบที่ไม่อะไรๆอะไรๆอะไรๆก็ช่างเถอะช่าง และบางครั้งฉันดูมีความสุขจังยังส่งยิ้มไปให้คนรอบข้างจนมีคนรอบข้างๆฉันกลับว่างเปล่าพิมพ์แค่รู้กําหนดรู้รู้แล้วล่ะรู้ นิสัยการกระทําที่สะสมมานานแสนนานทุกภพทุกชาติทั้งการกระทํา แบบนั้นจริงหรือไม่พิจารณาอย่างมีสติจริงหรือไม่พิจารณาอย่างมีสติการกําหนดบันทึกกรรมดีกรรมชั่วลงไป ชื่อใหม่ใหม่พ่อแม่ใหม่สัญชาติใหม่ทุกๆอย่างใหม่หมดจำชาติเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่ สามารถยืมหนังสือเดินทางแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนกันก็คือฉันไปใช้ ดังนั้นหากเรามีการกําหนดด้วยการฝึกรู้ทันทันการกระทําทันการกระทบจากภายนอกอย่างค่อยๆไปได้แค่ไหนทันแค่ไหนก็ไปเรื่อยๆเหมือนคนหัดตีปิงปองแรกๆก็ตีผิดตีพลาดโดนลูกบ้างบ้างก็ตีผิดบ้างก็ตีถูกแต่ ที่จะฝึกซ้อมแกฝึกซ้อมใช้เวลาจะนานเพียงใดก็อดทนฝึกซ้อมจนกลาย เขาเขามีมือมากกว่าเราหรือกว่าเรารึเขามีมือมากกว่าเรารึเขามีไม่เลยแต่เขาได้รับการฝึกฝนมาเราสมมุติทุกๆการกระทบ มาแล้วตีออกไปถ้าไม่ทันลูกก็ตกทางเราออกถ้าเรากําหนดไม่ทันถ้าไม่ทันลูกก็ตกทางเราก็เสียสอนให้เราระวังถ้าเรามีความระวัง มันจะมีตัวเบรกจะมีตัวเปลก่อนที่เราจะกระทําการชื่อ อมราสินทวีวงศ์นามสกุลเป็นอลิเม้งของปะป๊ามัมมาเป็นฝาแฝดที่เป็นคุณหนิงเป็น เจ้าเป็นอาสาเป็นมัมมี่ของลูกชาย 2 คนเป็นอาจารย์หนิงเกิดวันจันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2503 การศึกษาศึกษาจบปริญญาตรีอดีตเป็นคนหลงตนเองติดดีชอบให้คนอื่นชื่นชมตนตนเองติดดีชอบให้คนอื่น มีสามีเสมือนแก้วสารพัดนึกมีปัจจุบันเป็นผู้ที่ ก็ทูกับสิ่งๆที่มาๆโดยการฝึกจิตให้ หูจมูกลิ้นกายใจอาชีพเป็นชาวเกาะเกาะสามีอย่าง 02 โครงการอนาคต สร้างถนนบุญพัฒนาจิตนับใช้ครูบา